วันนี้ก็เป็นอีวันหนึงเนาะเป็นวนที่2 แ, แล้วก็พอโอกาสกบาจัดรู้แล้วก็จะเดินทางาง่าเนาะง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรมัน น, นั่นงเครื่อแก้วกายสบายเป็นวันนี้เป็นวันที่สองของคอร์สแต่มัน <c oughs> การภาวนา ม, มันต้อง มันก็มีอุปสรรคนะสำหรับคนใหม่แ้ะคนเก่าก็มีหมดบางคนเพราะว่าใหม่ก็มีการปวดเมื่อยไม่ใหม่ก็มีการปวดเมื่อยเพราะร่างกายมันยังไม่ปรับสมดุลยังไม่พอยังไม่ได้มันก็จะมีความเมื่อยออัดขัดเครื่องใจของเรายังไม่คือวันแรกๆใจของเรายังมีภาระ ที่เราเข้ามาใหม่แล้วท่เวลาที่เราไม่ได้อยู่ไม่ได้ปฏิบัติเราไปอยู่กับโลกอยู่กับภายนอกพอมาเข้าถึงวัดผุเนี่ยตอนที่เราเข้าไปปุ๊เนี่ยสติเราไม่ค่อยมีมันไม่เต็มมันก็เลยไปรับเรื่องราวที่มันเราไปอยู่กับทำการทํางานอยู่กับโลกภายนอกมันก็จะนําเรื่องเหล่านั้นเข้ามาเพราะว่าใจของเราก็ยัง มันมันจะต่อต้อตาน ก, นกันกับความรู้สึกทั้งใจเกี่กัคิด ท, ท, ท, ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งร่างกายก็ยังไม่ได้ปรับสภาพของร่างกายมันไม่ไสมดุลอยู่มันจะมีอยู่วันสองวันนี้แหละวันแรกมีความตั้งใจสูงพยายามใส่ใจแต่เราก็ยังใส่ใจรู้ใส่ใจทํามันก็จะมีความชิดมีสิ่งที่มันใจมันไม่เต็มร้อยก็คือมันจะไม่ได้ทําความเต็มร้อยความรู้สึกเราเต็มร้อยนะ มันก็จะมีความคิดมีเบื่อมีอึดอัดมีนั่นมีนีเ่เพราะว่าทำไมาะเพราะว่าจิตเนี่ยตอนที่เราไปอยู่ภายนอกปุ๊บีสติมันไม่พอมันก็ไปนั่มเรื่องราวที่มันก็มาเก็บประดงเพราะว่าเรามาเดินอยองงปุ๊บทำไมมันมีความคิดถ้าสําหรับคนใหม่นะหรืคนเขานะสำหคนเขานี่ทำไมมันมีความคิดเรงนั้นขึ้นเรื่องนี้ขึ้นพ อ, อยกมือสร้างแก้วปุ๊บ ม, มันก็จะมีละ ร่างกายมันเริ่มจะเมื่อยเมื่อยเมบ้างเพราะว่ามาเดินมาทำปุ๊บเนี่มันอยู่ในรูปแบบปุ๊บเนี่มันจะอยู่กับการเคลื่อนการใหม่ ไ, ไปเพราะว่าอยู่กับการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยใจของเราใจของเรามันก็มันก็ไม่มีอะไรทำแลเมื่อก่อนมันวิ่งไปกับงานวิ่งกับการกระทำอยู่กับภายนอกพอมาอยู่กับความรู้สึกตัวปั๊บมาอยู่กับปารปมนาใจหนึ่งก็อยากให้อยู่กับความรู้สึกตัว พ ย, พยายามตั้งใจอยู่กับความรู้สึกพอเราตั้งใจเกินไปอยู่ที่การเคลื่อนอยู่ที่การไหวยอยู่ที่การไปกันมาเราจะตั้งใจพอมาตั้งใจปุ๊บจิต i, มันอยู่กับกายที่เคลื่อนไหวพอมันจิตกายที่เคลื่อนไหวถ้าเราวางใจบังคับมันมากเรามีความอยากมากไปให้มันก็จะมีความคิดแทรกเข้ามาจะเริ่มความคิดเรื่องบ้างเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างใช่ไหมมันจะมี พอมีปุ๊บเนี่เผอปุ๊บชิดปั๊บเผอปุ๊บชิดปั๊บเอ๊ะทำไมมันมันดึงกันไปดึงกันมาก็เพราะว่าตอนนั้นจิตของเรามันไปสะสมขยะมาพอมันเจริญสถียปุ๊บเนี่ยจิตมันมาอยู่กับปัจปจุบันอยู่กับการเคลื่อนอยู่การใหวเมื่ออยู่การเคลื่อนการไหวปุ๊บเนี่ยจิตมันไม่มีอะไรทำนะความคิดมันเคยสมองเราเคยคิดที่มัน พ, พุ่งๆเล่นไหลไปไหลมาหยุดประจําพอมาอยู่กับปัจจุบันปุ๊บนี่ มันก็อยู่ไประดับหนึ่งเมื่อใหม่มันก็จะปรากฏขึ้นเดี๋ยวก็ความคิดบ้างเดี๋ยวคิดนี้บ้า ง, ดดางแต่เราเห็นความคิดปุ๊บเราก็พยายามจะมาความรู้สึกตัวมันก็จะมีเป็นไม้ยู่บ่อยๆพอมีอย่างนี้ปุ๊บพอไม่คิดก็ง่วงเพราะร่างกายของเรายัางยังไม่ปรับมันก็จะมีทั้งคิดทั้งง่วงทั้งเบื่อทั้งเซ็งอาการเหล่านี้จะประสมผสานกันอยู่แต่บางอารมณ์แต่ถ้าบางมันมันเกิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ในจะอากาศในก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เขากาลังแบบกวนอยู่เนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันจะมีแดดบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างอากาศแต่ระยะเวลาตั้งแต่เช้าอย่างนี้เห็นไหมอากาศมันดีมันจะง่วงเพราะเรามันปร่งมันเบาสบายอากาศมันมันเบาสบายสบายพอมรายกมือปุ๊บนี่จิตมันไม่ได้จิตอะไรมันก็จะเกิดแาบความง่วงพอาะความง่วงก็ เราจะไปเปิดในการยุบเมืองและสร้างจังหวะเราทําแบบจังหวัดเดียวเกินไปไหเพอจิตมันเริ่มสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันทําให้เราทําให้เราเข้าใจว่าเออเรากายเบาิ่มใจพอเบาพุกกับเราน อ, นอนไม่พอด้วยเมื่อคืนอาจจะนอนไม่หลับบางคนเคยทํามามากเคยทายยาํามาบ่อยๆพอมาเข้ามาปุ๊บ มาอยู่ปัจจุบันปุ๊บจิตมันตื่นมันก็นอนไม่หลับก็มีบางคนก็พยายามอยากแกนอนอยากให้หลับพอวาถึง่นเช้ามันไม่หลับบางทีคนเราไม่ไม่หลับพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็าเอาถึงเวลาแล้วนอนไม่พ อ, อมันก็จะมีหลายสายเหตุนะแต่เราก็ต้องแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันสภาว่าเรื่องนี้มันจะปรากฏขึ้นแนหะแต่ถ้าเรารู้และเราเข้าใจมันมันเป็นธรรมชาติเราพอมาถึงขึ้นมาปุ๊บจาเป็นต้องตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาแล้วจะทําอะไรก็มารู้สึกตัวถ้าการรู้สึกตัวปุ๊บเนี่อย่างนี้ปุ๊บตัวรู้มันถ้ามันเพลินมันเพลินเองในการเคลื่อนจังหวะเดียวเกินไปเมื่อกิจมันอยู่เพลินปุ๊บนี่บวกกับนอนไม่หลับด้วยอ่า ก, ก็นอนไม่พอด้วยมันก็เลยทําให้เราซึมเข้าไปในง่วงแล้วพอปุ๊บเนี่มันจะบอกว่าถ้ายกมือไปยกมาหลับตาเนี่สบายดีมันมีความรู้สึกเบาๆเราคิดว่าเราได้อาร หาลุ้ไม่ว่ามันมันจะหลอกให้เราหลับตาปุ๊บเนี่ยนั่นคือมันจะพาเราเข้าไปแล้วนะ่เราจะหลงอารมณ์แล้วนะถ้ารู้สึกว่ามันมันจะเข้าไปในความง่วงเงี้ยมัน ร, รู้สึกว่ายกมือแล้วถ้าหลับตาปุ๊บเดีวรู้สึกว่ามันเบาเมือเบากายนั่นแหละเริ่มถ้าเรารู้อย่างนี้ปุ๊บเราสนัดเราสนัดเราตอบย้ำคือเปลี่ยนที่บ่บ่อยๆวิธีแก้ ง, ง, ง่วงมันจะมีทั้งวันเนี้ยแต่มีทั้ ง, งง่วง ทั้งเบื่อหน่ายทั้งเกอดทั้งปวดเมื่อยอารมณ์เวทนามันจะปรากฏเพราะวาเวทนามันจะอยู่วันนี้พรุ่งนี้ก็ดีถ้าเราทําต่อเ น, นื่องสามวันนี้วันที่ 3- ที่สี่มันจะดีขึ้นตอนนี้มันจะมีเวทนามีเวทนามีทั้งผมว่ามีทั้งอัดมีทั้งขัดเกลื่อนมีทั้งแต่เราก้จะ ต, ต่อต้านด้วยเพราะว่ามันมีหลายสาเห็นเพราะว่านอนไม่หลับ ก, ก็มีนอนไม่พอก็อได้เราเคยอยู่ที่บ้านเราเคยตื่นดซ้ายมาตอนนี้ตื่นเช้าอะไรเงี้ย สิ่งเหล่านี้มันไดเป็ น, น, นแต่ถ้าบวกพอมันไม่ใช่แค่แต่ตรงนี้ปุ๊บเวลากินอาหารก็เป็นพิษอีกเพราะว่าเราอยู่บ้านเรากินสา ม, มื้อสีมื้อตามใจปากใช่ ไ, ไหมแต่พอมาที่นี่ปุ๊บกินสองมือ้อปุ๊บกลัวหิวอัดก็อาหารก็เป็นผลอีกเหมือนกันตรงเนี้เพราะว่ามันมีสลายหลายสาเหตุที่จะเข้ามาจ ส, สู่ที่เราให้เราเป็นเครื่องแกรน มันจะไม่ใช่ว่ามันจะมีสาเหตุเดียวมันต้องมีเพราะว่าทั้งร่างกายทัานกับข้าวทั้งอาหารถ้าอาหารเราปุบเราก็คิดว่าใจว่าเรากินข้าวเมื่อเดียวตอนเยเ็นจะหิวเราก็จะใส่เยอะๆเพื่อจะให้ถึงตอนเชา้าเพราะว่าพอาเที่ยปุ๊บปุ๊บนี่มันก็จะเกิดความง่วงเมาอาหารเมา อ, อาหารด้วยพมอมาอาหารเสร็จมันมิใช่เียมา อ, อาหารแล้ ว, แลวกแต่ ท, ทั้งกับมีอากาข สิ่งเวรคลอกเหล่านี้ด้วยทั้งหมดมันผสมประสานกันแต่ว่าเราจะทํายังไงจะผ่านปริษัทเหล่านี้ได้มันถ้าเป็นเรื่องอาหารเนี่ยมันจะเป็นวันแรกวันที่สองเนี่ยมันยังยังไม่เห็นทุกเท่าไหร่แต่วันที่2จะเริ่มเห็นวันที่3มจะเริ่มว่าเออมันจะเริ่มเห็นความทุกข์ของกิ่น่ะมันก็จะลดลงพอลดลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเบากายเบาใจแต่ว่าอย่างนี้มันห้ามกันไม่ได้มันบอกกันไม่ได้หรอกแต่ว่าตัวเราเองจะรู้เรียนรู้ในตัวมันเอง ธรรมชาติมันจะเรียนรู้ในตัวเขาเองพอแค่ไหนกายมันบอกตรงๆอยู่มันบอกแค่ไหนมันพอแต่มันไม่พอคือใจกลัวปูงแต่งวิตกวิจณ์กับสิ่งที่อย่างเช่นอาหารการกินเนี่ยมันก็จะไปกลัวหิวกลัวอะไรสิ่งนี้ยแต่ว่าความจริงแล้วกายมันพอแล้วนะแต่ว่าต้องเอาเยอะหน่อยกลัวมันไม่ถึงใช่ไหมกลัวมันหิวว่าไม่มีอะไรจะกินตอนเช้า แค่สิ่งเนี้มันทําให้เราต้องใส่ใการกินอาหารบ้างอะไรบ้างมันจะเป็นแต่พอเราทำไปเรื่อยๆนะพวกเนี่ร่างกายมันปรับสมดุลของมันธรรมชาติที่เขาต้องปรับตัวเขาแต่ใจตัางหากใจของเราตัางหาที่ไม่ไม่ไม่ยอมรับเพราะเรามีความชิดปุงแต่งในเรื่องราวเหล่านี้ธรรมารที่แรกอะธมาเห็นตัวเองจะเป็นแบบนี้บ่อยๆ แต่พอเรามาดูเฝ้าดูกายเราไม่เห็นกายจริงๆนี่กายมันจะบอกความรู้สึกทุกอย่างแม้แต่การกลินกินแค่ไหนพอพอแค่ไหนแค่นี้พอดีแค่นี้ไม่พอดีอาหารไหนเป็นพิษอาหารไหไม่เป็นพิษถึงตาเห็นไปตากมามันก็กิ่นกลิ่นขึ้นมามันจะมีอาการเลยถ้ามันผิดร่างกายไม่รับมันจะบอกถ้าเราเฝ้าดูกายกายมันจะรักษาตัวมัน แต่ใจของเรามีความจักได้ส ม, มดียเพราะว่าเห็นปุ๊บเนี่เสียไดาย ท, ทั้งๆที่ว่าเอามาแล้วต้องกินให้หมดอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทั้งๆที่ร่างกายของเรานี่มันผิดมันไม่รับแต่เราก็ฝืนมันก็เป็นเหตุปัจจัยแบบนี้เหมือนกันทั้งการกินงานเหล่าเนี้ยถ้าเราไปดูเฝ้าดูกายเห็นกายมันจะเห็นสภาวะเหล่านี้กายมันบจะบอกเราตรงๆซื่อๆแล้วเราจะเห็นเราก็ปฏิบัติตามเขา กายเราก็จะโปรง่งโล่งเบาสบายโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีที่มันเป็นโรคเป็นภัยไข้เจ็บอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่หยุดยั้งตัวเองท้าการเราไม่เห็นกายมันเราไม่เห็นไใ้กายอย่างแท้จริงเราเห็นแต่ใจเป็นผู้นํำใจไม่ได้ไม่มีแต่ใจเป็นผู้จัด ก, การแต่กายเขาจะบอกพอดีแค่ไหนอย่างไรเขาบอกไมหมดในเรื่องกิงแล้วสิ่งเหล่นี้จะทําให้เราเป็นเครื่องตั้น เป็นเครื่องที่จะให้เราบรรนทอนความเพียนความเบื่อหน่ายของจิตมันก็จะเกิดขึ้นมันจะทําให้เราไม่อยากปฏิบัติเออจะทนไหวไหมอดไหวไหมมันจะมีเวทนาหรอกอีกขึ้นอันนี้เป็นเวทนาที่เราจะวันนี้เราจะพบเราจะเจอแน่ แ, นแต่เจอแล้วจะทํำยังไงอย่างที่เราตื่นขึ้นมาตอนนี้พวกบนี่มันเริ่ม่วงใช่ไหมเรามองหายใจลึกๆดู หาใจถ้ามันง่วงแล้วมันจะรู้สึกมันง่วงปุ๊บเนี่ยหายใจเข้าลึกๆแล้วอั้นไว้ดูอั้นไปสักจนใจจะขาดด้วยแหละไม่ต้องเอาออกพอใจจะขาดปุ๊บดึงปล่อยให้เข้าเต็มที่เลยพอเต็มที่ปุ๊บอั้นไว้ไม่ให้ขับไม่ให้ออกแล้วทำอย่างนี้พอมันจะจะขาดคนไม่ได้ปล่อยออกปล่อยแรงให้หมด แล้วอันไหมสหหังมากนึงจนใจอยากทำทักสี่หารอบแล้วใจของเราจะโปร่งความม่วงจะหายไปแค่นี้ง่ายๆถ้าเราไม่เคลื่อนไหวแต่ถ้าเราง่วงแล้วเราทำแบบนี้ลูกมันหายเมื่อมันหายเสร็จปุ๊บเนี่ยเรากลับมาความรู้สึกตัวเพราะเหตุมันคือเราไม่เปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหว เราจะทําแช่วิธีสิบจากสิบสีบบ จ, จังหวัดเราก็จะทําเป็นจังหวัดเบาๆเรื่อยๆถ้ามันเบาๆมันเพลินน่ะนั่นคือความรู้สึกตัวไม่มีนะมันมีแต่การเคลื่อนไหวใจมันจะไปเสพความโปรเบาสบายพอมันสบายหน่อยปุ๊บเราก็หลับตาให้มันสักหน่อยสิมันจะเห็นสังเกตุได้เลยว่าตาสแสบๆตาคันๆมือๆตาเกงเกลื่อนถ้าหลับตาปุ๊บมันสบายตาหน่อย พอหลับตาปุ๊บนั่นแหละคือเรายอมมันแล้วนะพอยอมปุ๊บเราไม่แก้ไขปุ๊บมันเลยง่วงนะพอง่วงแล้วปุ๊บเนี่ยแก้ยากมากถ้าแจ้ไม่ได้ปุ๊บก็ทางวิธีทำแบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากให้มันง่วงเลยไม่ให้มันเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้ามันเป็นอีกปุ๊บเราเปลี่ยนยาบด บ, บางทียกมือสร้างจังหวะเนี่ยให้หนักบ้างเบาบ้างแรงบ้างค่อยบ้างสิบสีจังหวะเนี่ยอย่าให้มันเสมอ ทำชาช้าเมันกันคบแต่เน้นในการกระทบของกายสัมผัสอย่างเช่นนันมาทําแบบนี้ถ้าง่วงปุ๊บเนี่ยจะมาบางแรงมันยังไม่ม่วงปุ๊บตรงนี้บ้านตรงนี้บ้านรอบหนึ่งเนี่ยมันจะให้มันเด่นสักสี่ห้าจุดที่มันกระทบที่มันรู้ชัดๆโดยที่เราไม่ต้องบอกให้มันรู้เนี่ยอาศัยการกระทบกระตุ้นให้กิ่ออกจากความม่วงถ้าทําบ่อยๆเรามีความเพียรทําให้บ่อยๆ พอมันชินปุ๊บเนี่ยพอม่วงพวกมันก็ตกปุกมันก็ออกปั๊บออกปั๊บออกปั๊บแล้วเราจะผ่านความม่วงพอความม่วงผ่านไปพวกนี้มันจะมีความโปร่งเบาใจของเราจะเป็นอิสระจากความม่วงแล้วมันจะตามดูความรู้สึกความรู้สึกมันจะชัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืยบางทียกมือไปกเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันเป็นเองปุ๊มันยังม่วงอยู่บางทีเราเดี๋ยไปตั้งไปใจขึ้นไปไหม แต่ถ้าเราสัตวรวจสอบตัวเองว่าเออวันนี้นอนไม่หลับเมื่อคืนเหนื่อยร่างกายเป็นไข้กินยาเยอะเราก็ยอมรับมันแต่ถ้ามันไม่มีสาเหตุก็ต้องฝืนแล้วตอนนี้แต่ไม่ใช่ว่ายอมรับรับผลาดฝืนทาจนมันหายถ้ามันหายเสร็จปุ๊บมันจะปโปรแล้วถ้าทำแบบนี้ได้ไบ่อยๆถ้าเราชนะขุมห่วงได้วันนี้พรุ่งนี้ ปกติคนเราจะสวันก็ผ่านได้แต่ถ้าเราวางใจเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้ปุ๊บมันจะไม่ง่วงตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราเปลี่ยนไม่รู้ว่าง่วงพลิกเปลี่ยนนั่งปุ๊บเปลี่ย น, น, ยนแต่ถ้าเราง่วงปุ๊บเนี่ยเราจะไปนั่งท่าที่มันถ น, นัดท่าที่เราไม่ชอบนั่นแหละไปนั่งเลยถ้าเราไปไหนไม่ได้ท่าที่เราไม่ถนัดนั่งไม่ได้นาน ให้นั่งท่านั้นถ้าท่านพุ่งนี่มันพอว่าจะง่วงพุ่งนี่มันปวดขาใช่ไหมมันไม่ถนัมันเจ็บพอเจ็บมันเจ็บมันก็จะกลับมาอยู่กับการปวดทนกับการปวดถ้าปวดมันมากปุ๊บมันก็จะมาอยู่กับการปวดขาแต่เราก็รับรู้ความรู้สึกตัวการปวดขาเป็นตัวรู้สึกนะเราก็รู้ไปยกมือไปรู้สึกมือบ้างรู้สึกขาบ้างไปเรื่อยถ้ามันม่วงหายไปปวดเบธนาเบาลงเราก็เปลี่ยน มันปวดมากทนไม่ได้เรา ก, ก็เปลี่ยนพาหะทสบายเปลี่ยนยีบทของการท่านั่งเนี่ยบ่อยๆแต่ถ้าเรายังรู้มือซะอย่างแ บ, บตัวนี้เปลี่ยนอยู่ยังเป็นอยู่ก็เปลี่ยนการกระท่านั่งท่าที่ไม่ชอบท่าที่มันนั่งได้น้อยที่สุดถ้ามันนั่งนั่งท่าที่มันไม่ได้นานได้น้อยที่สุดก็คือได้นั่งนั่งปุ๊บมันปวดมันทนไม่ได้เปลี่ยนอย่างเงี้ยท่านั้นเนี่ยมันจะไปแก้ความงวงได้ ระดับ ห, หนึ่งอาศัยเสียงเนี่เราต้องแก้ไขในการเรียนรู้ของกายมันเกิดขึ้นเราจะแก้ไขอย่างไรพอแก้ไขหายนั่นคือสัาเกตนะนะถ้ามีความว่าเกิดขึ้นต่อหน้าขณะรังนี้กำลังเป็นอยู่เราแก้ไขไปพอแก้ไขเสร็จรู้สึกว่าโปรง่งมันโล่ง ม, มันสบายนั่นคือบรรลุขณะหนึ่งแล้วนะเราผ่านอุปสรรคไปตรงนั้นทีปุ๊บ การเจริญสติเนี่ยมันจะมีอุปสรรคแต่ตั้งแต่เช้าเย็นๆนั่นแหละแต่สติมาเพียรชนะสิ่งเหล่านี้สังเกตแก้ไขต้องการแค่ตื่นรู้ให้กิจมันตื่นมันรู้มันโปร่งมงันโล่งมันสบายถ้ามันโปร่งมันโล่งมันสบายทำมีตัวนี้ปุ๊บเรา ก, ก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บโยมก็แก้ไขไม่ใช่ว่าเดินแบบนี้มันสบาย ถ้าจะปักคลองความปก่งเบาสบายต้องเปลี่ยนบอยบดอีกเปลี่ยนเพื่อจะให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันเพื่อจะรักษาความโก่งเบาสบายนั้นไหมแต่เราจะไปอยู่ที่การโก่งเบาเราจยไเป็นปคนเขาปัคลองไปอยู่กับโกลบไหมเพราะความโก่งเบาสบายนั้นมันเป็นผลของการรู้สึกตัวพอเรามีผลปุ๊บเราไปกินดีในผลตัวผลนั้นทาให้เกิด ความง่วงซึมเบื่อหน่ายปัญหาก็เข้ามาแทงพอไปอยู่ที่ผลปุ๊บเหตุมันก็จางพอจางมันก็จะเกิดความง่วงความเบื่อหน่ายความอึดอัดขัดเคืองเกิดขึ้นถ้าเรารู้ปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บเราเข้ามารักษาเหตุไหมคือความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไเรื่อยบ่อยๆเวลานั่งสักแก้วหนักบ้างเบาบ้างข้างซ้ายบ้างขวาบ้าง เร็วบ้างช้าบ้างแล้วแต่เราจะทําเปลี่ยนนี้บดบ่อยๆปุ๊บเนี่พอจิตปุ๊บเนี่ยเราทำทำไมต้องทําแบบนี้ดูไม่สวยงามใช่ครังดูมันไม่สวยงามหรอกแต่มันจะไปประคองใจที่ให้มันไม่ง่วงไม่ซึมเพราะเราต้องการจิตเพื่อจะไปกระตุ้นให้จิตตัวภาวะนั้นตื่นให้จิตตื่นกายตื่นใจถ้ามันไม่ตื่นกายตื่นใจ มันจะไม่เห็นอะไรเลยเราต้องตื่นกายตื่นใจมากระตุ้นตัวรู้ตัวเนี้ยให้มันตื่นให้ตดเขาเรียกว่าตาในของเราให้มันตื่นให้ตื่นกายตื่นใจถ้ามันไม่ตื่นกายตื่นใจปุ๊บนี่เราจะทําไปเราก็จะไปเจอปุ๊บนี่มันไปเจอปัญหาความม่วงรวมเบอร์หนา อ, อีกมันก็เจออีกจนผ่านให้สิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันถึงจะมีสภาวะที่รองรับ มันจะเห็นความปร่งเบาสบายถ้ามีโปร่งได้ทั้งวันคนไหนรักษาใจที่มันปร่งเบาได้ทั้งวันคนนั้นเนี่ยจะใกล้เข้าพระนิพพานเลยเดินทางเส้นนี้ถูกแล้วหัวโปร่งเบาสบายเบากายเบาใจนี่คือเส้นทางที่จะเข้าไปถึงถ้าเราไม่พอว่วงปุ๊บปนเพิ่งว่างปุ๊บแพ้มันตลอดพอทำได้แค่มาแค่นี้ชนะมันไม่ชนะมันเลยมันง่วงซื่อบิด เป็นอีกเป็นอยู่ไปอย่างนี้แม้ถ้าเราทําได้ข้างนี้ถ้ามันผ่านความง่วงได้ปุ๊บเนี่ยั้งนี้มันผ่านได้ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะผ่านได้อีกแต่ถ้าผ่านไม่ได้ไปถึงที่นัน ม, มันก็จะกลับมาอีกไปถึงแค่นั้นก็ตันไว้ตันไห ม, ตไหมแต่เพื่อเราจะทะําพรชนะความง่วงความเบื่อหน่ายความสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราต้องเปลี่ยนแปลงนิยบดบ่อยๆความเข้าใจความรู้สึกตัวนี้โยมก็คงอตมาอธิบายเนาะเมื่อวาน เราพูดเรื่องความรู้สึกตัวนะครับความรู้สึกตัวเข้าใจถูกแล้วแกต้องกลับมาปรับใจดูหาความพอดีของแต่ถ้ามันยังเกิดปัญหาอยู่ทางการกระทํายังง่วงอยู่ยังซึมอยู่มันยังคือถ้าจะมาพูดไปแล้วเนี่ยยังโยมพูดทํายังทําไปแล้วทั้งทุกอย่างทั้งหมดจิตมันยังซึมมันยังเพิมมันยังคิดอยู่ฟุ้งซ่านอยู่อันนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ตรวจสอบเออมันเป็นแบบนี้แล้ว จะไปดูที่ไหนกลับมาดูใจที่ว่าเราเนี่ยกำหนดการเคลื่อนไหวตัวรู้สึกตัวนั้นแนบไปไหมตั้งใจเกินไปไหมใส่ใจไปกับกตัวรู้สึกตัวนั้นมากเกินไปไหมถ้ามันมากไปถ้ามันไม่เกิดถ้ามันอันนี้ถ้าเราทำไปต่อเนื่องความเกับของเราเก่าจะทำไปจะแนบไปไหมถ้ามีปัญหาแบบนี้ปุ๊บถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้น บางทาเป็นคนใหม่ถ้าวางใจไม่เป็นกลางวางใจไม่ถูกแต่เข้าใจความรู้สึกตัวที่ถูกแต่การไปวางใจที่เข้าไปรับรู้ตรงนั้นไม่ถูกมันจะเป็นหัวไหลหัวไหลสำคัญเลยถ้ายกมวอซักจังหวะต้นคอหัวไหลเนี่ยมันจะหักมันจะทื่อนั่นคือเราใจของเราเนี่ยไปหลับรับรู้ความรู้สึกตัวตัวนั้นไม่เป็นธรรมชาติ ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บเราแก้ไขอาการเหล่านี้คือการเดินิถ้าเราภาวนาเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องแก้ไข ท, ทันทีเลยว่าเออการวางใจเป็ น, นกลับมาถูการวางใจอีกเราเข้าใจแบบนี้เราใจไปแนบไปไหมเราไปอยู่กับความรู้สึกกัวไปไหมหรือเราไปเจ็บรายละเอยียดที่ฝ่าเท้าสัมผัสพื้นมือสัมผัสเราไปตั้งใจไม่เป็นอิสระไหมถ้ามันเป็นอิสระมั น, มนจะโปรเบาสบาย ถ้านอ่างน้มาแก้ไขตัวนี้มาดูการวางใจตัวเองแบบนี้เขาว่าความเพียรเพียรรู้เพียรแก้ไขเพียรทําไม่ใช่แต่เดินจงกรมอะไรเกิดขึ้นก็สู้อย่างเดียวนีมันได้แต่ถ้าเราสู้ผ่านปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่ามันปวดหัวอลไรเราทนอยู่กับมืออยู่กับเท้าไมถ้าเป็นอาการตัวนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราทนทําหัวหะไรตื่นๆมันหายมันยังมีมันไม่หาย แต่เมื่อมั น, มนหาเราก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยใส่ใจเรื่อยไปตอกย้ำมันอยู่เรื่อยๆปุ๊เดี๋ยวมันก็จะชิดมีความชิดผุดขึ้นเหมือนดอกเห็ดถ้าเป็นอาการที่เราวางใจไม่ถูกมันจะมีความชิดฟุ้งพุด ป, ป, ป, ปุขึ้นมาเพราะมันจะไปแยกถ้าเราตั้งใจมากเกินไปใจของเราไม่าไม่เป็นการปุ๊บไปอยู่ที่กายมากเกินไปนี่ทีแรกมันอาศัยเวทนาบี เวทนาที่กันเวทนาที่เกิดขึ้นจากหัวไหลตึงพวกเนี้ยปวดหลังเมื่อยสิ่งนี้มันดึงเพื่อจะให้จิตเราไปเกาะครึ่งหนึ่งจากการเพ่งการจดจ้องอยู่ที่เคลื่อนไหวอันไหน อ, อันใดอันอ น, นึนนงแหะอาตมาพวกกว้างเลยเราไปบอกว่าจิตของเราไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งเกินไปมันถึงเกิดตรงนี้เกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ถึงตนใจเราไปอยู่กับความรู้สึก เราก like ็ไปใส่ใจกับความรู้สึกทําอย่างนี้เรื่อยๆมันไม่สนใจปุ๊บพอไม่สนใจการปวดปวดนี้ก็จะมีอยู่รองรับไปแต่จะมีความคิดความคิดสิ่งที่เราแรกๆมันจะคิดความดีเกิดขึ้นความคิดดีๆพอมีความคิดดีปุ๊บเราใจของเราก็ไปเกาะความคิดตัวความคิดมันเป็นเหตุให้ดึงจิตออกจากการเพ่งจ้าอยู่กับมืออยู่กับการเคลื่อนไหว ที่โยมบางใจนั้นไปอยู่กับความรู้สึกครึ่งหนึ่งอยู่กับความคิดครึ่งหนึ่งทําไมโยมเดินจากร่องจังหวะเดินจังกมมันคิดได้ทั้งวันมันก็รู้สึกแต่มันอยู่ได้ถ้าไม่มีความคิดมันก็ไม่คิดถ้าถ้ามันไม่เกิดความคิดปุ๊บเพราะมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่ามันคิดเราก็กลับมาความรู้สึก ความีความรู้สึกต่อเนื่องต่อเนื่องปั๊บอยู่กับมันต่อเนื่องแบบหนักนะเบทนาเร่องนี้เราก็อดไปกดไปไปปุ๊บพอกดไปปุ๊บเบทนาก็น้อยแต่มันเท่าเดิมมันไม่หายนะแต่ว่าใจของเรานี่ไม่คิดคิดเหมือนไม่คิดรู้เหมือนไม่รู้หัวเป็นทื่อๆไม่โปร่ไม่โรคแต่ก็ไม่ง่วง เดินเป็นอย่างเงี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บนั่นคือผลของการที่เราการวางใจที่เข้าไปแนบวางแใงไม่เป็นกลางไม่เป็นธรรมชาติที่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกตัวถ้าเป็นนี้ปุ๊บแก้ไขบางวันเ่ยห็นไหมเราเดินไปทั้งวันทั้งวันทั้งวันปุ๊บนี่มันไปกับความคิดมีความคิดบางคิดนั้นมันคิดที่ดีๆตอนเรื่อนคิดดีๆเราก็ยินดีกับมัน แต่พอความคิดดีหายไปความคิดไม่ดีกลับมาแทนเราถึงไปรู้ว่าโอ้คิดไม่เอาปฏิเสธมันเห็น ไ, ไหมถ้ามันไม่คิดมันก็ง่วงมันก็ซึบ อ, อาการทางจิตมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราวางใจที่ไม่ถูกใจไม่เป็นกลางมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเราจะแก้ไขให้สังเกตถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บถ้ารู้สึกว่าเว็ น, นาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเริ่มเลยเริ่มมาปรับความพอดี ให้ตัวเองว่าการวางใจการเข้าไปรับรู้ตัวนี้มันแน่เกินไปไหมมันคิดเกินไปไหมมันใส่ใจเกิน ไ, ไหมอันนี้ความพอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะชี้ไปบอกเราว่าต้องเป็นแบบนี้นะอย่างท่านที่ก็บอกกว้างแต่คนที่จะรู้เองคือเราเพราะมันเป็นธรรมะของของเราอยู่ใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ย พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเกิดขึ้นอย่างงี้ปุ๊บเราแก้ไขแก้ไขก็คือทําใจสบายๆลองถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราหยุดเลยเราไปหยุดจากการสร้างเหงื่อเราโดูลมหายใจสบายๆเราผ่อนคลายเมื่อไมันผ่อนคลายเสร็จ ป, ปุ๊บเนี่ยเราค่อยๆไปรับรู้ใหม่ไปทําใจใหม่เอ๊ะทำไมพอผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราไม่ได้ไปฏิบัติธรรมปุ๊บทาไมมันคลายจากตรงนั้น แต่เราก็รู้สึกอยู่อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้ปุ๊บใจของเราเนี่ยไปกับกำกับความรู้สึกตัวมากไปนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ถอนสบายๆพอมันคลายความคิดมันน้อยลงความหรืออาจมันน้อยลงใจมันเบ า, า, าขึ้นเราค่อยมาเริ่มต้นใหม่ยกมือใหม่เอาจริงเอาจังตั้งใจเคลื่อนไหวใหม่การตั้งใจเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ใจจนแบบ เอาถ้ารู้ว่าอสิ่งที่เราทำปุ๊บมันผิดแล้นะที่มันเพิ่งเกิดตรงนี้เราจะทำยังไงที่มันจะไม่เกิดไอ้ตัวนี้ให้ได้ถ้ามันเกิดปุ๊บอ๋อมันไม่ถูกล้วทำไหม่วางใจใหม่จนกว่ามันโปร่งมันโล่งมันสบายมันโล่งมันสบายปุ๊บอ๋อมันได้งนี้เราก็รักษาตัวนั้นไว้เราก็พยายามรับรู้ความรู้สึกตัวนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่าได้ความพอดีของเราพอได้ทำอย่างนี้ได้เกิดขึ้นปุ๊บนี่พอทำไปปุ๊บมันปลกมันเบาสบายอีกสักพักหนึ่งมันเป็นอีกครับเป็นอีกข้อเลเพราะเราเพลินเพราะมันหลงอย่างของเดิมที่เราเข้าไปบางทีเอาใจของเราเป็นแนทอีกโดยธรรมชาติที่มันเป็นพอมันเป็นปุ๊บอ่าเรารู้สึกเราคลายอย่างที่เมื่อกี้โอเคมันมันทำอย่างนี้บางใจที่ถูก แต่การช่วงเวลาตอนเช้าทำอย่างนี้มันถูกเที่ยงบ่ายโมงมันร้อนทั้งอาหารจะไปใส่ใจแบบนั้นตั้งใจแบบโมกทําแล้วมันไม่ได้มันเปลี่ยนถ้ามันมันเป็นแล้วแก้ไขเออมันทำมันเมื่อเช้าเราทําแบบนี้ได้การเวลาแบบนี้เราทําแบบนี้ได้แต่ครับตอนนี้ทำมันไม่ได้เพราะกันไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องถอนนะ เพราะบางครั้งสิ่งแวดล้อมตอนเช้ามันอากาศดีตอนเที่ยงตอนบ่ายโมมันร้อนอาหารเหตุปัจจัยแต่มันก็จะมีคา ม, มุ่งมวงวมเบ่เบอาะไรก็มาแทนเราก็เปลี่ยนมันจะไม่ได้อย่างเดิมวันวันหนึง่งทั้งจะมีทุกมีสุขมีมีเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ตลอดเวลาจนกว่าจิตของเรามันได้ตัวรู้สึกตัวพอดีเป็นธรรมชาติของมันแล้วมันจะอยู่ได้ทุกขณะ ช้าได้เย็นได้เชื่ยงได้มันจะเสมอต้นเสมอปลายถ้ามันได้โดงนั้นพุกเนี่ยเราอยู่อยูส่สถานาการณ์แบบไหนก็ได้ตอนนี้ใจของเรายังจุดหาความเป็นกลางของจิตยังไม่ได้เราก็พยายามเรียนรู้ฝึกจนจิตมันหาความพอดีความเป็นธรรมชาติของขอให้ได้เพราะมีเพียรเพราะหน้าที่ของเราไม่มีอะไรมาก มีกต่เดินกับนั่งแล้วก็สร้างจังหวะวันวันหนึ่งเนี่ยเจวันเนี่ยเราจะมีแต่อย่างนี้เพราะมันมีอะไรทำมีเดินกับนั่งล้วกสร้างจังหวะแต่ถ้าเราไปทำงานถ้ามันมีแบบนี้รู้สึกบ้างไปทำบ้าน บ, านบ้างอันนี้มันยังเปลี่ยนอารมณ์เราได้ได้บ้างแต่ถ้าเรามาอยู่อยู่ยาเงี้ยเราไม่ได้ทำงานเลยเราแค่มาดูมาทามารู้สึก อยู่กับแกเดินการไปกันมากันนั่งการนอนนี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้เมื่อเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีสภาวะเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่กับดักไปอยู่เลยสภาวะมันเปลี่ยนแปลงกันกไปเรื่อยๆ อ, อารมณ์จิตใจของเราจะไม่เสมอเพราะใจของเรายังไม่เป็นกลางแต่เราจะมาปรับความพอดีความเข้าใจจนกว่ามันเป็นการถ้ามันเป็นการได้เมื่อไหร่มันจะสบาย ไม่ต้องแก้ไขอะไรในการความรู้สึกตอนนี้เราวาปรับหาความพอดีจุความที่ว่าโอ้นี่มันมาตรฐานแล้วนะทําแบบนี้มันได้เลยเอยทางี้ได้เลยได้เลยไดย้จนกว่าทําเป็นนิสัย ข, ของกิตมันสัมผัสตัวรู้แบบโล่งโปร่งเบสบายทําปุ๊บมันรู้สึกเพราะมันต่อเนื่องมันตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนถ้าเราวางใจเป็นการรับรู้ความรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยมันจะได้เกิดขึ้นโป่งโล่งเบาสบายรู้สึกตัวรู้สึกตัวสึกกว่าตัวรู้สึกตัวจับส่งผลให้ โล่งเบาสบายนั่นคือผลของมันแต่เม่อตอนนั้นปุ๊บเราก็มาอยู่ที่ฐานคือฐานการคือความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเพราะว่าเราทําไมเวลาเราไปนอนเราบางทีเนี่ยเห็นไหมเวลาไปดูหนังดูละครไม่ได้นอนก็ยังไม่เห็นง่วงขนาดนี้แต่แค่มาอยู่แค่เคลื่อนเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยทำไมมันม่วงนะักใช่ไหมเห็นความต่างไหม เนี่ยเพราะว่าเราจิตของเราพว๊บนี่ถ้ามันซึมมันมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะง่วงนุ่ง่วงหนักนะเพราะมันเป็นอุปสรรคของการภาวนาแล้วอุปสรรคเหล่านี้มันมันจะเป็นทําให้เพราะว่าอุปสรรคนั้นมันไม่ได้อยู่ที่แค่ความใจไม่ถูกอย่างเดียวอากาศสัตยาด้วยทั้งหลายหลายอยา่างแต่เราจะทํำยังไงให้จิตมันตื่นรู้บ่อยๆ มากระตุ้นมากระแทก้ารู้ให้มันตื่นออกจากความหลับเรามาทำให้ตื่นกายถื่นใจถ้าจิตมันตื่นรู้กายถื่นใจมันรู้ตื่นกายมันตื่นใจมันตื่นปุ๊บมันจะโปร่งมันจะโล่งมันสบายเรื่อยๆอยู่เนีจิตของเราเนี่ยจะเห็นสภาวะจะมีสภาวะรองรับของมันอยู่มันจะเห็นความเพลินความสนุกความสนานแล้วมันก็จะมีปีติเข้ามาเลี้ยงในใจของเรา บางทีใจสบายความมีความสุขสิ่งเนีกปรากฏขึ้นเราจะได้สบัดถ้าถ้ามันเกิดสุขขึ้นกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเหมือนเดิมแค่รับรู้แค่รู้สึกแค่รู้ตาสิ่งที่สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงอยู่ดีกลับมาอยู่กับกายเคลื่อนกายไหวนี่เปลี่ยนนิยบทบ่อยๆเดินหน้าถอยหลังเวลาเดินยังผมเดินหน้าถอยหลังบ้างติด เดินช้าบ้างเด็วบ้างลงส้นบ้างรงทางปลายเท้าบ้างสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆืยๆถ้าเราทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจิตเราจะเห็นแต่ตื่นรู้โปร่งโล่งเบาสบายถ้าโล่งเมาสบายไปเรื่อยๆรื่อยๆ เ, ย เ, ยเยนี่ยการภาวนาของเราจะสั้นลงตัวภาวนามันจะสั้นปุ๊บพอมีเสพตัวนี้ปุ๊บเนี่ยต่อไปข้างหน้ามันเยอะ มันมีแต่สิ่งที่เราเป็นเครื่องกั้นให้เราตอนแรกมันยังไม่โปร่งไม่ลมันก็มีความเมตนาที่อุดตันขัดเคืองพอมันเข้าไปถึงลึกมันก็จะมีสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นอุปสรรคเป็นเครื่องกั้นสิ่งที่มันสร้างเหตุสร้างผลเกิดขึ้นยิต่อไปตัวเนี้ยเหตุมันทำให้เกิดผลต่อไปผลมันจะทำให้เกิดเป็นเหตุให้ให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันไปยินดีกับมันมันก็เป็นเครื่องขั้นอีกทีนั่นคือบรป่ายนะช่วงระยะต่อไปแต่ว่าถ้าเราจะเจอปัญหาปุกท่าสติของเราไม่อยู่กับกายไม่เข้มแข็งพอมันจะสิ่งเหลานั้นจะดูดเราไปเมื่อดูดเราไปปุ๊บมันก็ทำให้เราช้าเป็นเครื่องเริ่มช้าของจิตถ้าเรามาอยู่กับกายรักษาตัวรู้ให้มันชัดชัด คำว่าชัดๆเนี่ยไม่ใช่ใส่ใจต้องไปรู้มันรู้เท่าแค่ที่มันเป็นนั่นแหละมันชัดเท่านั้นแต่รู้ตามเขารู้ว่าขอให้มันอยู่ในกายก็พอชัดก็รู้ว่าชัดมันชัดเท่าที่มันเป็นแต่ถ้าเราไปใส่ใจเฝ้าดูเกินจัดหาความพอดีสบายๆแค่เพียงแค่รู้รู้แบบธรรมชาติ รู้รับรู้ตามความเป็นจริงที่กายมันบอกขณะนั้นจิตรับรู้ขณะนั้นรู้สึกแล้วก็วางแล้ววางวาางกระทบใหม่ใหม่ใหม่ใหม่เพราะร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ได้อยู่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะเราจะมาเรียนรู้เอาใจมารับรู้ความรู้สึกที่การเปลี่ยนแปลงในขณะหนึ่งขณะหนึ่ง ตัวจิตที่มันมาอยู่รู้ต่าง ต, ตัวรู้สึกตัวที่มันอยู่กับการเคลื่อนอยู่กับไหวขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งมันจะความคิดความปุ่งซ่านลาคาญจะไม่มีมันจะมีความโปรโ่เบาสบายเห็นรู้สึกกายเห็นใจต่อไปมันจะไปเห็นความคิดนึกคิดอะไรเกิดขึ้นอารมณ์กระทบถ้าเราอยู่กับกายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ปุ๊เบเวลากระทบมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันได้เดินปุ๊บเนี่ยมันจะวาง แม้แต่ความรู้สึกตัวเรายังวางเลยเพราะความรู้สึกตัวมันจะวางเป็นปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะนึงขนา 1, 1, ขนึ่งอยู่แล้วแค่เราใส่ใจรู้รู้ฝึกจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะถ้ามันเป็นนิสัยของจิตแล้วจิตมันคุ้นเคยแล้วุ๊นี่อะไรกระทบพุ๊มันก็วางปั๊บวางปั๊บวางปั๊บวางปั๊บเหมือนความรู้สึกตัวที่เรากระทบระว่างกระทบระว่างกระทบระว่างโดยจิตไม่ก่อข้องเกี่ยวอะไรเลย เมื่อมันไม่ข้องเกี่ยวปุ๊บใจของเราก็ไม่ทุกข์เลยใจของเราก็เป็นอิสระใจของเราก็แค่ไปรับรู้ความรู้สึกตัวซื่อๆตร ง, ตรงอย่างนั้นเป็นอารมณ์โดยอย่างนี้ปุ๊บมันจะส่งผลให้จิตใจของเราละความโกรธความโลภความหลงของมันเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปจัดการมันเลย เราไม่ได้ไปจัดการมันเลยแต่เมื่อเราจะได้รู้ว่ามันกระทบปุ๊บปุ๊บเอ้าเห็นความต่างเมื่อกระทบปุ๊บมันวางหายไปปุ๊บเอมันจะได้เอ๊ะต่อไปมันมีแต่เอ๊ะเมื่อก่อนทํทไมโกรธเอ๊ะตอนนี้เลยไม่โกรธเอ๊ะาคิดเมื่อก่อนคิดเยอะทำไมไม่คิดอ่ามันจะเริ่มละทำไมเราไม่คิดเลยอ่มันจะมีมีสิ่งเหล่านี้มันจะเอ๊ะใจอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อการกระทบมา มันกระทุ ป, ปุป๊บมันก็จะวางปับ๊บวางปับ๊บอยากคิดพอคิดปุป๊บมันไม่เอามันก็กลับมาความรู้สึกอยากคิดก็ไม่คิดเห็นไหมมันก็จะไม่คิดบางครั้งไม่คิดมันกลับคิดแต่ถ้ามันเกิดคิดเราก็รู้ว่ามันคิดเราก็กลับมาความรู้สึกความคิดก็หายเพราะฉนี้จิตมันจะกลับมาเองโดยธรรมชาติถ้าเราฝึกจิตเราไปเรียนรู้จิตตามธรรมชาติแล้วก็ให้เขาเรียนรู้ของเขาไปเรืเร่อย สบายๆตอนกลายอย่าไปเกรงอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องปล่อยให้สบายๆเพราะาธรรมชาติมันมีก็นเป็นอยู่แล้วเอาธรรมชาติเป็นหลักการเคลื่อนการไหวมันมีมมการสัมผัสมีเคลื่อนปุ๊บมันก็มีสัมผัสสัมผัสมันก็มีความรู้สึกแค่นำใจไปตามดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นสดๆจบรู้ว่ารู้ระบาดรูรร้ระบราด ทุกอย่ามันก็จะวางไปเป็นธรรมชาติของมันเองโดยธรรมชาติเนี่วิธีการเจริญสติธรรมาทำง่า ย, ายๆแค่นี้นะไม่ได้ทำยากธรรมะทํานี่ยธรรมาเข้าใจธรรมาทำแบบนี้แต่เห็นความต่างของจิตใจยิ่งทํานานใจของเราเริ่มเบาเริ่มออกจากความโกรธความพอใจไม่พอใจพอกระทบปุ๊บมันวางปับ๊บวางปับ๊บทบทระวางทบทระวาง ดีใจก็าวางเสียใจกว่ า, วาเพราะเราไม่เอาดีไม่เอาชั่วใจของเราจะอยู่หรูจะอยู่เหนือดีนี่ชั่วมันถึงจะปลอดภัยดีเขาไม่เอาชั่วเขาไม่เอาแต่ชั่วดีเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเราเราแค่ตัวรู้สึกตัวเฉย ถ้าเราทํากลขึ้นกไกลไหวไปเรื่อยๆมันส่งผลให้ถึงจุดนั้นนี่คือผลของมันนะทําแล้วมันได้ตรงนั้นแต่ถ้าเราจะทําตรงนั้นให้ได้ตรงนั้นเราก็ต้องมาทําตรงนี้ที่อาจามาพูดเบื้องตน้นทําไปเรื่อยๆสบายๆแล้วผ่อนคลายสังเกตวิเคราะห์แก้ไขช่วงเนี้ยมันก็จะมีเวทนานี่แหละตัวเวทนาตัวนี้ มันจะทําให้เป็นเครื่องกั้นของเราคือความง่วงความง่วงเหงาหมดหูอะไรพวกนี้ยวันเนี้ยนนก็เริ่มจะเริ่มเป็นถ้าเป็นคนใหม่นะเอ้กูมาผิดหรือเปล่าทําไมเดี๋ยวมันก็จะหาคิดจะ ก, กลับบ้านแล้วนะมันหาเรื่องแล้วนะเพราะเบญนามันจะบีบคั้นแล้วก็มันทําอะไรไม่ได้อะไรจะมีแต่เบญนามีทั้งง่วงทั้งสึกโอ๊ยทรมานอยู่บ้านไม่อยู่บ้านไม่เนินขนาดนี้เลยเรามีอยู่มีกินทําไมเรต้องมาทำทรมาน มันจะหลอกเราความคิดตอนนี้เวทนาสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดแล้วมันก็จะทําให้เราออกจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่เป็นโรคหรอกไม่ปวดขาไม่หมอไม่นัดก็จะนักล้วนะเพราะมันมันทุกขนะ์เพราะมันทําให้เราทรามานแต่ถ้าเราชนะเราแก้ไขผ่านแล้วมันจะง่ายสบายถ้าใครคนแรกมาก่อนใหม่ๆถ้าทําผ่านได้ได้สัมผัสได้พวกนี้ ต่อไปข้างต่อไปเนี่ยมันจะมันจะต่อไปข้างหน้ามันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเลยแต่ถ้าห่านขั้นนี้ไม่ได้ขั้งต่อไปมันก็จะเดินอยู่สภาพาเดิมมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมเราก็จะแก้มันคานมันอยู่ตลอดเวลาเพรามันก็แค่เท่าเดิมใช้เวลาเท่าเดิมมันก็ต้องเนี่เพราะว่าตัวตัวรู้สึกตัวของเราน ถ้าเรามาอยู่กับกายเคลื่อนกายไหวกายไปไปกันมาบ่อยๆวิธีการง่ายๆเอาแบบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเอาแต่ภาษากายที่มันปากปดขึ้นอยู่เป็นอยู่บางครั้งเราสร้างขึ้นก็มีบางครั้งธรรมชาติสร้างให้เราก็มีอย่างเช่นปวดขารี่ธรรมชาติของกายมันบอกใช่ไหมท้ า, ท, าที่เราอยู่ที่มือเคลื่อนไหวใช่ห กายมันบอกปวดขานั่นคือความรู้สึกตัวแล้วนะเราก็รับรู้เขาถ้าทนได้ไหมทนได้ก็ทนถ้าทนไม่ก็แก้ไขก็แค่นั้นพอแก้ไขเสร็จก็หมดอยู่ที่มือบางทียกมือสักจังหวะไปคันยุงกัดตัวยยงกัดเป็นความรู้สึกตัวไหมเขารู้เท่าที่มันเป็นนั่นแหละถ้ารู้มันคันเก่าก็รู้ว่าเก่าแค่นี้นพอมันคันกายมันคัน ใจรับรู้ว่ามันคันทางชัติยายานเกิดขึ้นปุ๊บขันปุ๊กเราเคยคันปุ๊บมันจะไปไหนเก่าแต่เราไม่ทันตัวที่มันเคลื่อนมาเราไปทันที่มันเก่าที่มือสัมผัสตรงตุ่มคันนั้นเล็บของเราไปขูดนั่นคือเป็นตัวรู้สึกนะความคันหายไปความเบาใจความคันหายตัวหายไปนั้นปุ๊บเราก็ขับ มาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของกายรับรู้ความรู้สึกที่การสร้างขึ้นเราพยายามรับรู้ธรรมชาติานี้บ่อยๆแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าตัวคันไม่ใช่เป็นตัวธรรมชาติไม่สนใจกวมาอยู่ที่มืออย่างเดียวนั่นคือโยมเข้าไปเพ่งในการเคลื่อนไหวมากไปอ่ตรงนี้เราลกลับมาให้รับรู้เสร็จพอหายไปปุ๊บตัวนี้มันเวทนามันหายปุ๊บคันมันหายไปปุ๊บ จิตมันไม่มีที่ไปก็ต้องให้มันกลับมาอยู่การรู้สึกที่สร้างขึ้นเมื่อสร้างขึ้นเสร็จมันรับรู้มีอะไรเกิดขึ้นอีกจากที่เราไม่ได้สร้างที่มันเด่นในใจเรานั่นแหละที่ใจของเราไปรับรู้นั่นะตัวนั้นคือตัวเด่นเราก็ปล่อยจากตัวที่เราสร้างขึ้นเนี่ย <c oughs> เพื่อจะไปรับรู้ไอ้ตัวนั้นว่าตัวนั้นหายไปเราก็กลับมาตรงนี้เพื่อจะให้ จ, หจิตอยู่ในกายเพื่อมันจะไม่ให้มันไปกับความคิด เพื่อจะประคองจิตให้มาอยู่ในกายเพราะจิตของเรายังไม่เคยคุ้นกับกายเพราะมันอยู่ในกายก็จริงนิสัยจิตมันออกไปข้างนอกเสมอเดี๋ยวมันก็ออกไปออกไป อ, อไปเมื่อมันออกไปเสร็จปุ๊บเราก็เลยเพื่อจะรักษาไม่ให้จิตมันออกอากกายเพื่อมันจะมารับรู้ปัจจุบันขณะหนึ่งขณะหนึ่งไม่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปข้างหน้า เราก็เตรียมจิตให้มันอยู่ในกายในกายนีเพื่อจะรับรู้ทันที่มันจะปรากฏขึ้นอะไรจะปรากฏขึ้นแก่ใจแก่กายของเราถ้ามันอยู่กับกายปุ๊บมันจะทันปัญหามันก็จะแก้ได้ง่ายถ้ามันอยู่ในกายพออะไรเขาปุ๊บอ๋อจิตมันทันปุ๊บมันก็จะตัดจะทันทันทนะนี่แหละการเจริญสติเราก็ไม่ได้ทันได้ยากเพราะวิธีการเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอก มันยากตรงที่ความเข้าใจปรับปรับใจในการภาวนานั่นเองแต่ละคนมันยากแต่ละของของแต่ละคนนั่นเองของสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นนั่นแหละมันยากแต่ละคนแต่ละคนอย่างเช่นเรามีความรู้มากเราก็ความรู้นั่นแหละความเข้าใจมากก็ความเข้าใจนั่นแหละเป็นขั้นถ้าเรามาดูกายกายมันไม่บอกว่าคุณจะมีความรู้สึกคุณจะมีความรู้ความจเป็นจุปริญญาหรือไม่เป็นปินยา คนที่ไม่รู้หนังสือเลยคนไม่ได้เรียนมาเลยมันก็เป็นตัวเดียวกันมันก็เป็นมันจะบอกตรงมันไม่ลาเอียงเลยมันไม่ได้ลาเอียงใครว่าเป็นคนไหนคนหนึ่งเลยมันไม่ได้ลำเอียงมันให้มันมีความตรงกับเราต่อทุกๆคนทั้งคนจนและคนรวยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันไม่ได้เคยลาเอียงมันจะให้เวลาให้คุณค่าเท่ากันมันบอกเราตรงๆเสมอๆเนาะ วันนี้อาตมาก็คงจะากพูดให้กำลังเพื่อจะได้ไปแก้ไขเพราะว่าต่อไปมันจะเจอแน่เพราะว่าพวกเราต้องทำให้จริงวันนี้7จวันเนี่เราจะเดินอยู่อย่างเนี้ยทำทําที่นี่อยู่ตลอดเรื่อยๆทั้งครบเวันนั่นแหละถึงจะได้จากกันไปเนาะวันนี้ก็อาตมาก็ย้ำแค่ความรู้สึกตัวนะ่ซะ ทุเช้าโลกสวมดมนตะ์เนาะมีคีย์เวิร์ดสาคัญในสองคำพระพิจาโตมนัสสังสอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกปอบเสียได้ในตรงนี้ที่จาพนันมาขยายเนี่ยเรา ถ้เราได้ยินหรือใครเคยเรียนจพ่อมหาเนี่ยคลวพ่อมหาจะเน้นย้ำตรงนี้มากความไม่สมดุลของกายเวลากายไม่สบายนี่แล้วเราไปแช่โยกับอาการกายที่ไม่สบายโดยที่ไม่ได้กำหนดรู้เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ความพอใจและไม่พอใจทางจิตตันเรียกอะไรนะเวทนาทางกายถ้าเราไม่พอเราไม่ทน ไม่เท่าทันเวทนาทางกายถ้าเราไม่เท่าทันเวทนาทางกายเนี่ยมันจะเข้าไปสู่เวทนาทางจิตพอใจมันรู้สึกแทนที่ใจมันจะทำหน้าที่ในการรับรู้ในการศึกษามันจะกลายเป็นทำหน้าที่ง่วงทำหน้าที่คิด แล้วความรู้สึกตัวที่มันจะทําหน้าที่ในการศึกษากายศึกหาใจมันจะหายไปหลวงพ่อมหาทะเลเน้นย้ามากกายเนี่ยเป็นยังไงมันเย็นมันร้อนมันปวดมันเมื่อยเราเท่าทันมันไหมมันหนักเกินไปเราปรับเปลี่ยนมันได้ไหมหลวงพ่อมหาจะให้เราศึกษาอาการทางกายที่เป็นเวทนาเวทนาทางกายมันจะไม่สูงเราบริหารจัดการเวทนาทางกายได้ มันปวดมันเมื่อยเกินไปเราขยับแล้วดูศึกษามันจะไม่ส่งผลไปสู่เวทนาทางจิตให้ปรับสมดุลให้ศึกษาสมดุลตรงนี้นี่คือคีย์เวิร์ดที่หลวงพ่อมาหาทรรมกิจย า, ยา่าพวกเราภาวนาคนเก่าๆเราอะภาวนามาถึงจุดหนึ่งนะเราวิชาหลวงพ่อที่ท่านเน้นย้ำตรงนี้ให้ที่อาจารย์พันธมาขยายวันนี้เป็นจุดนี้ของหลวงพ่อมาหาที่ท่านเน้นย้ามาไว้ในตรงนี้นยะ ในตรงเนี้มันมีอยู่ในคัมภีรวิสุทธิมัติกระบวนการตรงนี้นะจะมาอ่านอิงตาราให้ฟังในคัมภีวิสุทธิมัติเรื่องยานแปหน้าท้ายๆประมาณหน้า900ากว่าถึงพันกว่าเขาเ่าวในคัมภีวิสุทธิมัติในยานแปดเขาจะเริ่มที่อุตตยพญาญานในยานนี้ท่านกล่าวถึงว่าการกําหนดรู้รูปนามการกําหนดรู้รูปนาม นี่คือกายนี่คือใจทั้งกล่าวถึงอุปสรรคของมันอุปสรรคของการที่ใจเราไม่สามารถกําหนดรู้รับรู้ลูกนามได้เนี่ยไม่สามารถกําหนดรู้กายรู้ใจได้เนี่ยไม่สามารถกําหนดรู้ไตรักได้เหตุสามอย่างเหตุสามอย่างที่บังไตรักษไว้พวกเราภาวนาเนี่ยที่หลวงพ่อมาหาถอดความมาแล้วที่อาจารย์ขยายแล้วเนี่ยเป็นภาษาง่งายๆเป็นภาษาที่ภาษาพูด ภาษาไปเละปริยัติเขากล่าวไว้ว่าเราไม่เห็นอนิจจ์เราไม่สามารถเห็นอนิจจ์คือการที่มันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันเคลื่อนร้อยเกิดแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสาเหตุหนึ่งเพราะสังคติคือมันต่อเนื่องเกินไปมันยืดเกินไปมันเราเคลื่อนไหวเนี่ยเราเคลื่อนไหวปุ๊บปั๊บั๊บปากเกินไปเราเนี่ยมันเคลื่อนไหวจะกลายเป็นความนิ่ง นิ่งแบบต่อเนื่องหรือเรานั่งนิ่งๆเกินไปซึ่งอยู่กันนิ่งๆอิเล็กทบอเดียวเกินไปมันบังการเกิดบังการดับบังการเคลื่อนมันทําให้ใจเราไม่สามารถกําหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายกำลังเกิดกำลังดับกาลังเคลื่อนคล้อยได้การเคลื่อนไหวทางกายการเคลื่อนไหวทางการเคลื่อนการสร้างจังหวะของเราเนี่ยถ้ามันเคลื่อนถ้าเดียวมากเกินไปนิ่งๆมากเกินไปแบบเ น, นี้ยไมเนี่ยบังบ บางบังอนิจจงพอเราไปสร้างนี้มันยาวยืดกลายเป็นเหล็กเส้นใหม่มันไม่เกิดไม่ดับนี่คือจุดหนึ่งท่านจึงให้กระบดโล้บ้างนั่งเฉยว่าเปลี่ยนจังหวะว่างเพื่อให้มันเกิดขึ้นแล้วดับเกิดขึ้นแล้วดับให้ใจมันรู้ทีละขณะขณะขะเราจะเข้าใจใจรักในมุมของอนิจจ์ได้ง่ายเราไม่ค่อยเห็นทุกข์ขัง เราไม่เห็นอาการเปลี่ยนเปลี่ยนเราไม่เห็นกายไม่เห็นใจไม่เห็นสภาวะของทุกข์เพราะความเผอความเผลอนะตรไห น, นเวลาเรานั่งๆอยู่เราเวลาเราเมื่อยสังเกตไหมพอเมื่อย เ, เราก็ขยับเลยการขยับไปตามอิริยาบถอิริยาบถเป็นตัวเบาทุกขงังการขยับไปตามอิริยาบถนั้ น, น, นทันทีโดยที่เราลืมยงการอึ๊บเราก็ฟึ๊บ อย่างเงี้ยเราลืมแล้วเราเก่าไปเลยเดินเดินอยู่อึดอัดเราก็อยากนั่งเราก็นั่งเลยเราเปลี่ยนอันยากหโดยที่เราไม่เท่าทันแล้วพ่อมาหาเองท่านก็เ น, น้นจุดนี้มากก่อนที่จะเปลี่ยนไปตามสัญชาตญาณแล้วพ่มาหาใช้คําว่าเราเปลี่ยนขยับไปตามสัญชาตญาณหรือตามสติตามปัญญายาตรงเนี้ยคนตัวเก่าไปแกะเรื่องเหล่านี้นะไปดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นแต่รักอยู่กับเรื่องเหล่านี้ เราภาวนาจเจริญสติมาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจใจรักมากขึ้นเข้าใจความเป็นไปแต่ละขณะมากขึ้นว่าเราทําไปตามสัญชาติญาณเดิมๆหรือทําไปภายใต้การมีสติเรียนรู้กําหนดรู้ไปการเผลอเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราไม่เห็นถุกเราไม่สามารถเห็นอนัตตาได้ใจเราไม่เข้าใจความเป็นอนัตตาของธรรมชาติทั้งหลายในภาษาบริยัติท่ใจคําว่าเพราะความเป็นก้อนเป็นแท่งทึก ถอนความมาเป็นภาษาเราคือเพราะเราบังคับเกินไปเราไม่ปล่อยให้กายเป็นธรรมชาติเราไม่ปล่อยให้ใจเป็นธรรมชาติแล้วให้มันเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราเอาใจไปสร้างกายเอาใจไปสร้างการเคลื่อนไหวเอาใจมาทําตัวนิ่งๆมากเกินไปบังคับใจให้อยู่นิ่งๆเพราะว่วงเกิดขึ้นก็เอาหัวไปชนสู้กับความม่างเกินไปบังคับให้มันสู้ซึ่งกันและกัน เราเลยไม่เห็นว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นเพียงธรรมชาติที่เครื่อนร้อยอยู่อย่างนั้นนี่คือภาษาปริยัติที่ถอดความมากๆทํายังไงแก้ยังไงนั่นคือสิ่งที่จาันอธิบายวันนี้อธิบายชา้างนี้จุดที่เราก็มหาทิ้งคจน์ไว้ให้เราทั้งหลายถอดความมาจากเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ทั้งคนใหม่คนเก่านะเดี๋ยวนี้เขามีภาวนาออนไลน์เนาะเดี๋ยวนี้อะไรก็ออนไลน์ ใครภาวนาออนไลน์อยู่ทางบ้านไปเก็บรายละเอียดดีๆนะเก็บรายละเอียดให้มันมากขึ้นใครอยู่ออนแอร์ตรงนี้ออนแอร์สดก็ลงรายละเอียดกันดีๆไหนๆแล้วมาละไม่ต้องสีเรีย่ยงภาวนาไม่ต้องสีเนี่ยแต่ให้เป็นเรื่องศึกษาเป็นเรื่องวิบสามอย่างนะสามอย่างสามอย่างบางังใจละหนึ่งความเลิน ไปตามการเคลื่อนไหวที่มันเคลื่อนไปยืดใจก็ยืดไปตามการเคลื่อนการไหวเกินไปอย่างที่หนึ่งมันทําให้ไม่เห็นอนินจจังอย่างที่สองเผลอไปตามอิทธิยาบทปวดเมื่อยขยับเลยเวลาเดินๆเ ด, เ ด, เดิเพลินเกินไปกับอิทธิยาบททําให้ไม่เห็นทุกข์ขับคือสภาวะของการเปี่ยนเบียนความปวดความเมื่อยเราพอแก้ด้วยการให้นั่งนานๆ น, น, นิดนึงมายาเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยน เพื่อเห็นสภาวะทุกชัดๆัสติจะเข้มแข็งขึ้นอนัตตาอย่างที่สามสิ่งที่บังคือเราบังคับเกินไปไม่ปล่อยกายปล่อยใจให้เป็นธรรมชาติแล้วเรียนรู้จากธรรมชาติที่กำลังเกิดสามอย่างไปแกะดีๆแล้วเราจะเข้าใจแต่นัจะพัฒนาตัวสติตัวการรับรู้ของเราได้ดีขึ้นนะเช้ า, ชานี้เราก็ขอโทนบริบูรณ์เนาะไปกาวพักแล้วก็ไปรับอาหาร ชาวนี้ไ ป, ปรับอาหารช่วยกันหลังจากทานข้าวเสร็จทานกรต้นเสร็จช่วยกันเก็บภาชนะล้างเรียบร้อยแล้วก็แยกย้ายกันมาภาวนาที่นี่วันนี้ใครมาภาวนาก็ตั้งใจภาวนานะคนที่เจ้าหน้าที่ถ้าไม่มีงานไม่มีธุระวันนี้ก็ลงมือภาวนาบ้างเราคิดเรื่องงานจัดการเรื่องงานมาเยอะแล้วแต่อย่าไม่รีบเกินไปช่วงเช้าเดินจงกรมภาวนาแยกย้ายกันนิดนิหน่อยก็ได้ ให้กำลังกายให้กำลังใจกับตัวเองก่อนนะบรรยากาศผ่อนคลายกัน